เพียงหักปฏิปทาการดาเนินภายนอกนั้นมันเหมือนกับกิ่นก้าน้าขาต้นลําหรือรากแก้วมันอยู่ที่หลักใจอันนี้สำคัญมากอาจารไม่มีหลักอย่างน้อยไม่ไม่มีความสงบจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมีได้ร้อนมาพอแล้วนะคุณได้ น, นามาพูดเอาสิ่งที่เป็นมาแล้วทางนั้นามาพูด ร้อนร้อนมากธรรมดามาันก็ร้อนมากยิ่งติดเสือมันยิ่งร้อนมากผมน่ะโอ้โหจตือนเตใครเพราความอยากได้ขับเคลื่อนน่นะบางที่เคยเจต่ า, างนี่ร้อนมากจริงๆริงนะมันดีอย่างหนึ่งที่มันไม่ขอเท่านั้นเองเอาจนได้แต่ั่นมาวันกันใหญ่เลยเถอะต้อเสร็จถึงใจเทียบแทนถึงใจก็คือจีดเสือมนะ่ะ เนี่คือผมนั่งตลอดลุเพราะอันนี้เนาะมันทําให้ผมเครียดแฟนอขึ้นบนเขาเรียกกระพองมันหรือเนี่ยข้างอ่ะเนาะเรียกกระพองใช่ไหมก็เหมือนกับควาดกันเลยกันนําขอลงอเสื่อมต้องตายไปด้วยกันอยู่ไม่ได้นั่นคิตอยู่ไม่ได้ว่างั้นเลยเสื่อมก็ต้องไปด้วยกันเลยเนี่ยทําให้คิดถึ ง, งถรเรื่องพระโคตริกัดท่านเจริญ สมาธิสมาบัตทั้งท่านเจริญไถึงหกครั้งเสื่อมไปถึงหกครั้งว่ามีโกนมา่มอเราเชื่อ ท, ที่มันออกมาในอุทานภายในใจนีห้ห่าเอานะเขานี่นะหลานถ้าลงกินนี้ได้เสื่อมไปอีกแล้วเราต้องตายเท่านั้นเราอยู่ไปไม่ได้มันเห็นโทษถึงขนาดนั้นดูดูมันจะเสื่อมไปไม่ได้ ถ้าเรายังไม่ตายถ้ามันเสื่อมก็ต้องตายไปด้วยกันเนี่ยมันย้อนไปเชื่อพระโสดีกับที่ท่านฝูดไว้ในคำนามีนันมีตำนานทาที่ไม่ได้อะไรเลยมันร้อนมันก็ร่อนแต่แบบหนึ่งทำที่เคยได้มาแล้วมาเสือมเพราะคุณค่าความสงอบมัน เมื่อเทียบกับที่ไม่ไม่มีความสงบแล้วมันไปคนในโลกจริงเวลามันเส่อมไปเทสมัยมันจะไม่ร้อนเพิ่งขนาดนี้นไม่อยู <c oughs> ่ที่ไหนก็เป็นเพลิงเป็นไฟหนูรา <c oughs> มันได้แล้วมันฟาดกันเอาอย่างนี้มีห <c oughs> ลาที่ว่านั่งหามลูกหามขําได้กต่เพราะความเจ็บแค้นเลยโอ้ถ้าว่ามีคนมาทําเราให้เจ็บแค้นในนั้นนังเป็นคาราวานน่ยผมฆ่าคนได้จริงนะฆ่าแบบ <c oughs> ถึงใจถึงใจเลยมีกี่ศพเอาให้เรียบหมดกี่ลายมาถึงให้เราเจ็บใจถึงขนาดนี้ยังไงก็ทนไม่ได้เลยมีทางออกทางเดียวคือว่าต้องฆ่าทางอื่นไม่มีทางอันนี้ก็เหมือนกันคว้าจะลงเอาตายก็ตายแต่คราวนี้หวัมันละเยียบหัวเรามาถนานนั้นความเสืขอมทั้งกลีบไม่มีแต่คุณแต่ไปเท้าลงมีตลาดเว่าไม่มีอะไรมีความหมายในโลกนี้เป็นขนาดนั้นเห็นได้เตือนหนึงเตือนเพื่อน มันมันน้อยเรามาระวังยาให้มันเส่ิมก็ได้หรือที่ยังไม่ได้ก็เอาให้ได้มันไม่นอกเหนือไปจากความเปียนน้องลายเอาใส่ดลงไปตายก็ตายเถอะบางนั้นเลยมันต้องทุ่มลงที่จิตมันต้องเด็ดไม่เด็ดไม่เห็นของเด็ดของจริงเราไม่เคยได้เราได้เดินจตรงนั่งสมรมธนาธรรมนาธรรมนามันจะได้ของดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นี่สายผมอ่ะออื มันเป็ น, นสัยหยาบอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามั น, มนพูดยากนะมันต้องเอาไว้จนเด่นตาแล้วมันถึงจะปรากฏขึ้นมานทีไรไปอย่างนั้นกคน็คือแล้วก็มันถึงใจผลก็ถึงใจถ้าเหตุเอาชีวิตเขาประกันเลยลว่ถึงใจถึงใจอย่างที่ว่านั่งสู้กับทุกขทัยนานี่ยโอ้โห ในเรื่องการทางหงมร่างกายเนี่ผมยังไม่มีที่ไหนเลยเป็นประวัติชีวิตเหมือนหลังจากกิ่ดเสือ่อมพอได้ท่าแล้วนั่นนั่นนะตรงนั่นนะครับผมแต่ที่เป็นพรรษาที่สุดมันฟาดกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าบรรษาอันนะพอได้ที่แล้วก็ฟาดกันมาตั้งนานนั่นแหนะตลอดลุ่มตลอดลุ่มจนเข้าพรรษาก็ฟาดเป็นหินได้อารจันทุกขอ ง, าง <c oughs> อาจารย์ทุกทีทุกลันโทุ ก, ทกจอมรับวาททุก บางวันจะล้มลูกไม่ขึ้นเลยมันตายหมดตั้งแต่ขาลงไปนู้นมันตายแล้วมันมันเป็นมาตั้งแต่ตอนคืนหรือในเวลามันมันหายพุกแล้ ว, ลวอ้นี้มันยังตายอยู่นี่เวลาจะลุกก็ลุกขึ้นเลยลุกแล้วล้มตูมตูมนี่ลุกไมขึ้นนี่ทํำไมเป็นอย่างนี้วะเราไม่เคยเป็นเพียงแตมื อ, อยันไว้ทํามมายันไว้ขาอยู่ยังไงก็อยู่งั่นล้มไปแล้ว หาตกไปไงออกเข้ามาไม่ได้เธอย่งเหมือนท่อนไม้ตอนตืนนี่ทําไมเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เคยเป็นนีหรือมันเป็นมาเต็มที่ของมันตั้งแต่ตอนตืนนี่พอตอนถ้าจะลุกมันไม่มีทุกอย่างนั้นหาเนี่ยก็หาเยี้ยที่มันตายไปหมดแล้วมันเป็นท่อนไม้ตอนตืนสมมติว่าจะเอาอะไรมาตัดขาเวล้นั้นมันก็ไม่มีทุกเวทนาเลยมันเป็นท่อนไม้ตอนตืนขนาดนั้นนะมาจับดูเนี่ยข้อมือไปจับดูขาจะแบบนย่างบนี้ขาไม่รู้เลยสัมผัสของมือนะ แต่มือรู้ว่าขานี่เย็นไปหมดท่านแล้วทั้งหมว่าตัดตรงนั้นขากระขาดไปเลยมันถึงใจที่มันไม่เคยลืมคืนไหนถ้าลงจะฟาดกันขนาดนั้นแล้วได้อาจารย์ตุกคืนนี่ละไม่เคยพลาดเลยจริงเป็นเพียงว่าชาวกับเรือต่างกันยากกับแล้วง่ายต่างกันเพาว่าไหนเนี่ยฝนตกทํางวันนั้นง่ายนะ ใส่ทันทัปทัปอย่างไม่นานลงได้ลงได้ต้อ ง, งมาถึงทุกเวทนาใหญ่เกิดขึ้นได้ก่อนมันทอดมันถอนัอกมาเอาอีกลงอีกแล้วก็สว่างมันนั่นลุกไปเลยเหมือนเราไม่ได้นั่งตลอดลุงนะจึงสําคัญที่ใจต่างหานะท่าวัาไห น, น, นลําบากลำบนทุกข์ทรมานมาก น, น, นั้นบอบช้ำมากร่างกาย นั่งเหมือนไฟเผาเนี่ยก้นนั่งฉันทหารเลยภาพเพียบนั่งนั่งภาพเพียบฉันให้หารเวลานั่เวลาเรายังไม่ต่อสู้มันเนี่นั่งฉันทหารไมไปต่อสู้นะก็ต่อสู้กับอาหารแล้วสินั่งภาพเพียบเลยผมก้นไม้เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกมันพองไปหมดก้นะกระดูกทุกข่้นเหมือนมันจะแตกกลางวันก็ดีแต่มันไม่เคยเข็ด เพรามันเห็นผลมั น, ม, นมันเหนือนี้อยู่แล้วเนี่ยีเรื่องความทุกข์ทุกข์ก็ไปทุกข์ฟังใี่หมู่เพื่อนเพืมาสอนหมู่เพื่อนผมไม่ไดเคยคิดว่าผมจะมาจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไทรทั้งนั้นแหะเพราะ น, นิสัยเราไม่มีทั้งนั้นนี้จะเอาเอ า, เ, อาเรื่องของเดียด๋วยวจะไปสอนมืนไม่เคยมีไปสนใจไปสอนผู้ใดเลยเวลาปฏิบัติมันก็มุ่งจะอาตะทําอย่างเดียวทีนี้เวลา มันพอรู้หูรู้ตาไดบ้างมันก็ไม่สนใจที่จะสอนใครเพื่อยู่อย่างนี้สบายดียินว่ากั้นเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนลุมไปกระผมผมจึงขโมยหนีเลยอย่างนีอยู่คนเดียวมันสบายดีสบายสบายดีอยงเงีนะ้ยไม่มีอะไรมากวนสบายดีสบายดียดยมันจะเป็นยังไงอันนี้มันน่าขมมากรุมเข้ารุมเข้ามก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นนีอันนี้ไม่ได้เป็นคำนิสัยของเจ้าของ น, นั่นนะเพราอยู่แบงนั้นแหะเพราะเห็นหลังหัวใจแต่และดวงดวง ม, มีคุณค่าคิด ถ, ถึงเรื่องเราจะเสีย เสือบครับนี่เกิดขึมาเจอพ่อเจอแม่อยู่แล้วกลัวอาจารย์กลัาอาจารย์เลยเราได้วิ่งหาแทบร่มแทบตายไปที่ไหนมันก็ไม่เหมาเจาะในหัวใจมันก็ต้องผ่านไปผ่านไปจนกระทา่งไปถึงที่เหมาะเจาะแล้วมันต้งทุ่มกันลงนี่นู่เนเพื่อนนะแต่ว่หาครูอาจารย์ก็ค ง, งเป็นอย่างเดียวกันนี้นี่แหละเอามาบวกมาลบคูณหารกันดูแล้วก็ทนอยู่ด้วยเห็นนี่นะนี่คิดว่าจะเป็นห่วงไปใ ย, ยอะไร เห็นอะไรที่จะมาประคุปก็เป็นห่วงเลยหลังการนี่ก็รู้เป็นชัดๆบางคนไม่ไหวแล้วก็ทิ้งเสียบอกกังวลในความรับผิดชอบอยู่กับตรงนี้แหละพลาราเว่ปัญจคันธามันมาตลอดสายนะพลาราเว่ปัญจคันธามด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งพลาราเว่ปัญจคันธาด้วยความรับผิดชอบพาืนพาเดินพาขับพาถ่ายนั่งนอนนั้นนี่อันนี้ไม่มีปล่อยความรับผิดชอบนี่ต้องปฏิบัติดีอย่างนั้นทนะี่เรีเยก ว, ว่าไม่ปล่อยก็ไม่ใช่ไม่ปล่อยแบบอบุปทาน คือไม่ได้ร่าได้่างตอไหนดูแลมันอยู่นกระ้ั่งถึงมาระสุดท้ายนะมันจะมาได้หรือทิ้งจะพัวเชียวแสนสบายหายความยุ่งว่าไงแก·่รูมนจะท่านแล้วมันจะไปไหนคาดไหนมันจะเป็นท่านนั้นมันจะเป็นคาดอื่นได้ัไงเป็นนานของมันจะยืดหรือไม่ยืดมันก็เป็นของมันอย่งนั้นตามความจริงของมันหลงมันอะไรนะพ้าใหม่ตั้งใจภานะสุขสัต ภาวนาพุทธโพุโทโอหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกตามเลือกเข้าพุทออกโธก็ได้ภาวนานะเวลามาบวชให้เข้มแข็งนะอย่าอืดอาดเหนื่อยนายไม่ได้นะศาสนาไม่จะฐานขี้พอจะาของทิ้งมาทิ้งใส่ทิ้งใส่อะไรไม่ดีมาทิ้งใส่ศา ส, สานาไม่ได้ผนกลกลมให้เป็นเพียงเลืกในชีวิตของเราค่าบวช ชีงเราจะมีคุณค่าครวนี้แหละมันจะเกิดมาคราวนี้มีคุณค่ามากได้ผลิตปฏิบัติธรรมอดทนเอานักงบวชต้องมันอดทนพระพุทธเจ้าภาวัอดทนมาแล้วพระสงฆ์สาวกพาอดทนมาแล้วทั้งนั้นเราจะมาอดอแอลขัดกับทางเดินของท่านทางดําเนินของท่านคําสอนของท่านไม่ถูกมือละเอาละแค่นี้แหละแค่นี้นะ